เวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยเ น, นี่ยให้บกมือมองเห็นอนุปสัมบัญจะเป็นเนินก็ตามเป็นคราวาทหน้าดวผู้ใยก็าตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้โบกมือให้คนนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่น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 เราเกิด ต, ตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจหมูกเลี้ยกายก่อใช้ได้เป็นแค่ น, นั้นอ่ะต า, ตากดูหูก็ฟังเลยวิริยะก็เข้ามาเรื่อยะทีนี้ก็เลยไนมะ่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวร้วนน่าตั้งแต่เป็นเรื่องของวิเิยะการหาอาสะทั้งหมดคิดตอ น, น, นใดแง่ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตล้นแยกตั้งแต่การก่อป่วยวิริย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 ปูดเท่านี้เราก็ทราบแต่พ อ, อยางยิ่งก็คือข้าคือฐานติดมันติดที่นี่จิงค้นคว้าสิสิ่ ง, งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลืค่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแก่แจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องพ้นหนึ่งสองหนจําไม่ได้ท่องหลายทั้งหลายหนก็จําได้เองมีหมายถึงความจําท่องลหลายหลายหนมันยังจําได้ปัญญาความที่นีน้พิจารณาพิจารณาแล้วเทียนาเล่า ก็เข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเขาไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ้งถึงใจต่อยได้เลยนานตันนายโตกัวห็่ยิกะโตทำให้มากจเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งในเจริญจนกระทั่งถึงถึงสีถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันต่อยของมันเองนนมันเพียงแต่ว่าพิจนารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้ว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 ผู้นั้นเป็นถูกพ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแจสุดทตายนักแบบทุกข์ให้ลําบากลําบุญเป็นผูกพ้นไปแล้วยังจะขันก็เป็นขันล้วนๆอาการอะไรที่เจ็บปวดผู้นั้นกลุ่มี้ก่อทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกข์หน้าตาทุกขังหน้าตาต้องเดินไป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 การแสดงทําก็ถือว่าสิ้งหนึ่งปฏิบติกานี้